จเจรอนพอท่านก็มีจิตศรัทธามีความเนื่องใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22กันยายนพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านตั้งหมายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาตักตดดวง ผลประโยชน์ที่นานๆจะได้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งจากพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ผลประโยชน์ที่สูงสุดที่ดีที่เ่ิที่แท้จริงที่ถาวรได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกกนั้นแล้ว จะไม่สามารถที่จะให้ของจริงของแท้ของที่ถาวรได้ของที่พวกเราทุกวันนี้ได้กันมานี่เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นน่าโยตสารเสริมไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ่าต่างๆ ของเราที้เป็นของชั่วคราวมีมามีไปมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปจากใหม่ก็กลายเป็นเก่าจากเก่าก็กลายเป็นสิ่งที่หมดสภาพไปเราต้องหาใหม่เรื่อยๆเพราะว่าใจของเรายังอยากได้อยู่เรื่อยๆเราจึงต้องหาต้องดินง้นรนต้องลำบากยากเย็น ต้องทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ทุกข์กับการสูญเสียเพราะว่าเราไม่ได้เข้าหาของจริงของแท้นั่นเองของจริงของแท้นี่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่นานานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากในการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ าที่จะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาแล้วมาประกาศพระาศาสนาให้สัตว์โลกได้มีโอกาสได้ตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนานี้นานๆจะเกิดขึ้นหนึงสักครั้งหนึง่งเป็นเวลาหนึงน้ำางมากกว่าล้าน หลายล้านหลายพันล้านหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธศาสนามาเกิดขึ้นให้เป็นที่พึ่งของพวกเราให้พวกเราได้พบกับของจริงของแท้ของดีที่จะอยู่กับเราไปตลอดแล้วก็ผู้ที่จะตักตัวผลประโยชน์นี้ได้ก็ต้องเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี่ เป็นผู้ที่เหมาะกับการรับคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นคําสั่งสอนให้แก่มนุษย์เป็นหลักถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์โอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็จะมีไม่มากเช่นถ้าเป็นเดาารัจฉานเป็นสุนัข มาอาศัยอยู่วัดก็จะได้รับประโยชน์ทางร่างกายเธอได้รับอาหารได้ที่อยู่อาศัยหลบภัยต่างๆแต่จะไม่ได้รับธรรมะคาสอนที่จะสอนให้พวกเราได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งที่วิเศษสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่มีอะไรในโลกที่จะ สู้ได้ดีเท่าได้ต้องเป็นมนุษย์ต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนแลน้วนาเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ยากสิ่งที่สองที่พวกเราได้กันก็คือได้มาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเพราะตายไปแล้ว เรามีบุญมีบาปที่เราทำไว้อยู่บุญและบาปนี้ก็จะเดินเราไปรับผลบุญผลบาปก่อนซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายหลายปีหลายชาติด้วยกันกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกหรือเปล่า ดังนั้นชาตนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุญสองชั้นเป็นรางวัลสองชั้นได้พบพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งที่เกิดได้ยากเช่นเดียวกันอันนี้ก็บุญชั้นที่สองบุญชั้นที่สาก็คือ การดำรงชีวิตการมีชีวิตอยู่ไปได้นี่ก็เป็นของยากเหมือนกันคนเราบางคนอายุอยู่ได้ไม่นานก็ต้องตายไปบางคนตายมาตั้งแต่วันแรกเกิดบางคนก็ตายเจวันตายเดือนหนึ่งตายปีนึงตายสิปีตาย20ปีน้อยนักที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวนาน ถึงแปดสิบเก0าสปีได้การที่พวกเรายัางสามารถมีชีวิตอยู่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นบุญอีกชั้นหนึ่งคือมีชีวิตที่จะได้ใช้ชีวิตของเรามาดักตัวประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแล้วบุญอีกชั้นหนึ่งที่พวกเรามีกันก็คือ เรามีเวลาเข้าวัดกันมีเวลาเข้าวัดเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมซึ่งก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะว่าคนเรานี้มีภารกิจมากมีธุระกิจมากมีเรื่องมากน้อยคนที่จะสามารถตัดภารกิจต่างๆกัด ต, ต, ต, ตัดเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้ให้มีเวลา มาเข้าวัดมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมผู้ใดสามารถเข้ามาอยู่วัดได้ถาวรเช่นมาบวชเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นพราญก็ดีนี้ถือว่าเป็นเสิ่งที่ยากมากผู้ที่ละผู้ใดทำได้นี้ก็ถือว่าได้บุญอีกชั้นหนึ่งบุญที่เกิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้ยากอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการได้มีเวลาเข้าวัดมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาถึงแม้จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่แต่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เช่นคนส่วนใหญ่เช่นในประเทศเรานี่มีคนถึงเจ็สิล้านคนด้วยกันมีคนที่เข้าวัดกันจริงๆมาอยู่วัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อตักตวงประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนานี่มีสักกีกคนกันถ้าเป็นพระก็มีเป็นแค่สายสองแสนเท่านั้นเองถ้าเป็นชีเป็นพราหณ์ ก็อีกจำนวนหนึ่งที่ไม่มากนอกกนั้นก็ไม่มีเวลาที่จะมาวัดมาทำบุญมารักษาสีมาฟังเทพฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันดังนั้นผู้ใดถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนา มีชีวิตอยู่ได้ไม่ตายไปก่อนเวลาอันสมควรมีเวลาที่จะเข้าวัดศึกษาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้<ม>ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอย่างมหาศาลโชคยิ่งใหญ่กว่าโชคถูกลอตเตอรี่ราวัลที่หนึ่งถึงสิบครั้งหรือร้อยครั้งเสียด้วยซ้ำไปเพราะการถูกลอตเตอรี่นี้ก็จะได้เพียงแต่เงินทอง แต่เงินทองนี้เป็นทุกขลาภไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ให้กับใจของเราได้แต่กลับจะทำให้ใจของเราทุกข์มากขึ้นว่าะจะต้องคอยดูแลรักษาเงินทองต้องคอยหลบคนนั้นคนนี้ที่จะมาขอเงินขอทองจากเราเวลาที่เราไม่มีเงินทองนี้ไม่มีใครเหลียว เหลยวแลดูหน้าเราเลยแต่พอเราถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีนี่ไม่รู้เพื่อนมาจากไหนญาติพี่น้องนี่ไม่รู้มาจากไหนมากันเป็นฝูงเลยจนรับไม่ไหวถ้าจะแบ่งเงินให้ทุกๆคนก็เราก็จะไม่มีเหลือใช้เราก็เลยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเพราะถ้าเจอหน้าเขาก็ขอถ้าไม่ให้เขาเขาก็ด่าเราว่าเรา ว่าเราใจจิดใจดำไม่มีน้ำจิตน้ำใจแต่เขาไม่คิดเวลาที่เราไม่มีอะไรทำไมเขาไม่มีน้ำจิตน้ำใจกับเราบ้างอันนี้เรียกว่าทุกขลาสู้ได้ราบทางาศาสนาดีกว่าราบทางาศาสนาอันนี้ไม่มีใครเหลียวแลไม่ใครมาขอมาแบ่งกันเช่นเวลาเาบวชแล้วไม่มีใครมาเหลียวแลตัดหางปล่อยวัดเลย เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วจะชวนไปเที่ยวก็เที่ยวไม่ได้จะชวนไปดื่มไปทำอะไรก็ทำไม่ได้อยู่แต่ในวัดอย่างเดียวแต่เป็นการดีเพราะว่าจะได้มีเวลาไม่ต้องมาคอยวุ่นวายกับคนต่างๆที่จะมาคอยบครบกวนใจมาเอาเวลาที่มีคุณค่าในการศึกษา และในการปฏิบัติธรรมนี้ไปดังนั้นถ้าเราบวชได้นี่ถเธอว่าเป็นโชคมหาศาลจริงๆมีกี่คนที่บวชได้กันมีคนอยู่ในประเทศ70ล้านคนมีคนบวชได้แค่สองแสนกว่าคนนอการบวชนี้ก็ต้องมีสองลักษณะบวชแบบทัพพีในหม้ อ, อกแกงหรือ บ, บวชแบบลิ้นขับแกง ถ้าบวชแบบทับพีในหม้อแกงก็บวชแบบไม่สนใจที่จะศึกษาปฏิ บ, บัตนะิบวชเพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามีศรัทธาญาติโยมที่พร้อมที่จะสนับสนุนผู้ที่บวชเช้าก็ใส่บาตรบ่ายก็นำมาหะนาของเขานาเอาเข้าวของต่างๆมาถวายสังฆทาน วันเกิดวันอะไรก็นิมนต์ไปทำบุญที่บ้านเวลามีคนตายก็นิมนต์มาสวดแล้วมีการถวายปัจจัยสี่อยู่อย่างต่อเนื่องผู้ที่ไม่รู้ว่าศาสนานี้มีไว้เพื่ออะไรก็จะคิดว่าบวชเพื่อมาทำหน้าที่แบบ น, นี้มาทาหน้าที่รับใช้ญาติโยมญาติโยมนิมนต์ไปสวดก็ไปสวด นิมนต์ไปเผาศพ ก, ก็ไปเผาศพนิมนต์ไปรับสังฆทานก็ไปรับสังฆทานแต่นี่ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพระโดยตรงสมัยพระพุทธกาลหน้าที่เหล่านี้แทบจะไม่มีเลยสมัยพระพุทธกาล น, นี้มีหน้าที่ของพระก็คือศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีจากพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ดี จากครูบาจารต่างๆนะที่ไปอยู่ด้วยในสำนักเดียวกันก็ดีเนี่ยจะมีการศึกษาศึกษาแล้วก็จะนำไปปฏิบัติปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็มีความเข่งคัดรักษาศีล227ิ22ข้อไม่ให้ด่าพร้อยนะ ภาวนาสมาธิก็หมั่นนั่งสมาธิด้วยการเจริญสติในอิริยาบถสีเดินจงกรมก็เจริญสตินั่งสมาธิก็เจริญสติเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาเดินแล้วเมื่อ ก, กลับมานั่งนั่งก็บริกรรมพุทโธต่อไม่นานจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว ก็จะมีความสุขได้รับรางวัลของพระพุทธศาสนาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ความสุขยิ่งใหญ่กว่าการได้ราบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกเป้นกายเป็นความสุขที่มีน้ำหนักหลายเท่าหนักกว่าความสุขที่ได้ทางราบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกเป้นกาย แล้วพอได้ความสุขอันนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรเวลาออกจากสมาธิเวลากิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ถูกทำลายอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีกำลังต่อต้านอยากจะไปเที่ยวก็ต่อต้านได้อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ต่อต้านได้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานในเวลาที่ไม่ควรที่จะเดืกจะรับประทาน ก็จะต่อต้านได้จะหยุดความอยากได้เพราะมีความสุขในใจมีความออ่นในใจถ้าไม่มีสมาธินี้เวลาอยากอะไรแล้วสู้ไม่ไหวอยากแล้วใจนี้อ่อนเป็นเหมือนเทียนถูกไฟต้องไปทําตามความอยากทันทีเช่นอยากจะสูบบุหรี่ก็ต้องหยิบมาสูบอยากจะดื่มสุราก็ต้อง ดื่มสุราอยากจะดื่มกาแฟก็ต้องดื่มกาแฟอยากจะรับประทานขนมก็ต้องรับประทานขนมไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากเพราะไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจอิ่มใจแต่พอเราทำสมาธิแล้วเราจะมีความสุขใจอิ่มใจเราจะสามารถต่อสู้กับความอยากต่างๆได้ ถ้าสามารถทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ของพเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากนี้เองเวลาอยากแล้วใจมันดิ้นใจมันอยู่ไม่เป็นสุขใจมันองุดหงิดลำคาญใจกวนกวายกระสับกระสายพอได้สิ่งที่อยากแล้วมันก็หายไปชั่วคราว แต่ความอยากไม่หายไปเดี๋ยวความอยากใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้ความอยากภายในใจของเราหมดไปหรืออยากความอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังอยากไปนู่นอยากมานี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หมดไปด้วยอยากไม่มีวันหมด เพราะเราไม่ฝืนมันเราไม่หยุดมันเราชอบทำตามความอยากกันการทำตามความอยากนี้จึงเป็นการต่ออายุให้ความอยากมีอายุยาวนานขึ้นไปเพื่อจะได้มาสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับเราต่อไปถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้โทษของความอยาก เราจะไม่ต่อสู้เราจะไม่ขัดขืนความอยากแต่นี่เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี่และเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจเช่นเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจนะแต่ถ้าเราไม่อยากเราก็จะเฉยเฉยสบายใจ คนนจะเป็นอะไรถ้าเราปล่อยว่าเขาจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไปเขาจะดื้อก็ปล่อยเขาดื้อไปเขาจะไม่ดีก็ปล่อยว่าไม่ดีไปมันไม่ใช่ตัวเราซะหน่อยเราไปเดือดร้อนแทนเขาทำไมเรามันโง่เองไปทุกข์กับเขาเองเขาทำอะไรเขาต้องเป็นคนรับผลของการกระทำของเขาเราทำอะไรเราก็ต้องเป็นคนรับผล ของการกระทาของเราถ้าอยากถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือคำสอนพิทีเป็นแก่นของคำสอนของพระพุทธศาสนานหัวใจของ พ, พุทธศาสนาอยู่ตรงนีอง้อยู่ตรงที่สอนให้เรารู้ว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราก็คือความอยากของเรานี่เองถ้าเราอยากจะสบายใจ เราก็ต้องหยุดความอยากอย่าไปมีความอยากเราต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปปล่อยอะไรจะมาก็ให้มันมาอะไรจะไปก็ให้มันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไปอะไรจะเจริญก็ปล่อยมันเจริญอะไรจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมเราไปห้ามมันไม่ได้ของทุกอย่างในโลกนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ สั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ถ้าสั่งได้ตอนนี้พวกเรารวยเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนแล้วสั่งให้รวยอย่างเดียวสั่งให้ยิ่งใหญ่เป็นนายกพัฒมนตรีกันทั้งประเทศเลยประเทศไทยนี้จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีนายกถึงเจสบล้านคนถ้าเราสั่งได้แต่เราสั่งไม่ได้ถ้าเราสั่งได้พวกเราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายกัน อยู่กันเป็นล้านปีแสนแสนล้านปีกันแต่สิ่งเหล่านี้เราสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วเราไปอยากทำไมเรายังไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทำไมยังอยากร่อมอยากรวยยังอยากไม่อยากจนทำไมของพวกนี้มันสั่งไม่ได้สั่งถึงแม้ว่าได้ก็ได้เดียวเดียวได้แล้วเดียวมันก็หมดไปไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรจะเป็นของเราไปตลอด อยู่กับเราไปตลอดเวลามันจากเราไปเวลามันดื้อ ม, มันไม่ฟังเราเราก็เสียใจเศร้าโศกเป็นทุกข์ใจก็เพราะเราไม่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราอยู่ที่ความอยากนี้เองถึงแม้ตอนนี้เรารู้แล้วแต่เราก็ฝืนความอยากไม่ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่มีกำลังต่อสู้กับความอยาก เพราะเราไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราฝึกเจริญสติเจรินจนกงกรมนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆทาใจให้สงบให้ได้พอใจสงบแล้วทีนี้เราก็จะสามารถต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เวลาอยากอะไรก็สอนใจว่าอยากแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่ได้มาแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่แล้วเวลาเสียไปก็เสียใจอีก เวลาสั่งให้เป็นอย่างนั้ น, นอย่างนี้ไม่ได้ก็จะเสียใจสู้อย่าปไปอยากดีกว่าอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างตามมีตามเกิดพอยู่กับฝนฟ้าอากาศเราไม่ไปสั่งฝนฟ้าอากาศเราไม่ไปสั่งพระอาทิตย์ให้ขึ้นให้ตกเราจึงไม่มีปัญหากับฝนฟ้าอากาศฝนจะตกเราก็อยู่ได้ฝนจะหยุดเราก็อยู่ได้ แต่จะออกไม่ออกเราก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนฉันใดถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ยังอยู่ได้ใครจะดีก็ปล่อยเขาดีไปใครก็จะชั่วก็ปล่อยเขาชั่วไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาไม่ต้องไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดเพราะว่าเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงเครื่องมือเป็นเื่องของเล่นที่เราได้มาเอาไว้เล่นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งท่านเองเราเอาร่างกายนี้มาเล่นมาเที่ยวมาดูมาดืนมารับประทานมาทำอะไรต่างๆแต่ในที่สุดร่างกายนี้ก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่เราไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเราไม่ต้องไปเดือดร้อน เราปล่อยวางร่างกายได้และเราจะสบายนอกจากนั้นแล้วเราก็จะได้ไม่อยากจะกลับมามีร่างกายอยีกเพราะเรารู้ว่าถ้ามีร่างกายก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราไม่มีความอยากที่จะดูจะฟังจะเดินจะรับประทานจะเป็นอะไรจะทำอะไรเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้ ความอยากนี้ก็จะผลักดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่มาดูมาฟังมาดื่มมารับประทานต่อแต่ถ้าเราหยุดชนะหยุดความอยากได้หมดชนะความอยากได้หมดเราก็จะไม่ต้องมาหาร่างกายใหม่เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวรทั้งหลายท่านหยุดความอยากได้หมดแนละ้วท่านไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากดื่อ ย, อยากรับประทาน อยากเที่ยวอยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีความอยากดึงไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจทุกที่เคยมีอยู่ภายในใจนี้ถูกทำลายไปหมดแล้วเพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากได้ถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยสมาธิและด้วยปัญญานี้ พวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความวุ่นวาย NO, ไม่มีความเดือดร้อนกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆกับการแก่กับการเจ็บกับการตายของร่างกายแม้ว่าจะเป็นร่างกายของกาก็ตามร่างกายของเราเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่เดือดร้อน เช่นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของสามีของภรรยาของบุตรของทิดาเราจะไม่เดือดร้อนเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อยู่ดีดังนั้นเรื่องอะไรอยู่เฉย ไปทุบกับเรื่องที่เราทำอะไรไม่ได้ทำไมสู้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าและสิ่งที่ตายไปก็ไม่ใช่ตัวเขาน่่งกายที่ตายไปก็ไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวเขาอยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายจึงสรุปก็คือว่าไม่มีใครตายสิ่งที่ตายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชาย เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่ทำมาจากอาหารอาหารกินเข้าไปในร่างกายก็ทำให้ร่างกายนี้มีรูปมีร่างขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฝันขึ้นมาร่างกายทั้งร่างนี้จึงไม่ได้เป็นอะไรนอกจากเป็นดินน้ำลมไฟดีๆนี่เเวลาร่างกายตายไปร่างกายนี้ก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ผู้ที่สั่งร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่สั่งก็คือใจยังอยู่ต่อไปถ้าอยู่อย่างมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าอยู่อย่างไม่มีสติสมาธิปัญญาก็จะอยู่อย่างมีความทุกข์เพราะจะหยุดความอยากไม่ได้จะอยากต่อไปจะเกิดใหม่ต่อไปเรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปเรื่อยๆ นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่เราจะสามารถตักตวงประโยชน์ได้ถ้าเราศึกษาและปฏิบัติแล้วเราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากได้หมดเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตางเกิดนี่คือผล ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นหรือคำสอนอื่นๆในโลกนี้ไม่มีคำสอนอย่างนี้มีของพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ต้นเหตุของความทุกข์ของพวกเราต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราว่าอยู่ที่ความอยากในใจของเรานี้เอง ดังนั้นเราพวกเราจึงถือว่าเรามีโชคมีวาสนาที่ได้บุญถึงได้โชคถึงสี่ชั้นด้วยกันได้พบพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะได้ศึกษาปฏิบัติมีเวลาที่จะเข้าวัดศึกษามีเวลาที่จะมาบวชมาปฏิบัติธรรมถ้าเราได้โชคทั้งสี่ชนิดนี้แล้ว รางวัลที่ของพระพุทธศาสนาที่เราควรจะได้รับก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิด น, นี่เองจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาขอให้เราปักดันตัวเราให้เข้าหาพระศาสนาให้มากขึ้นไปตามลาดับจนสามารถ ออกบวชหน้าอยู่ในวัดอยู่กับพระศาสนาไปตลอดแล้วผลอันยิ่งใหญ่นี้จะเป็นผลที่จะต้องตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบัดเป็นกันในวันนี้จงเป็นเอกเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วคาดปลอดภัยจากทุกภยัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากัน